ทุท่านเตรียมตัวไหว้พระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาุทธังภะคะวันตังคาทิวาเทมิสวากัา t h ิภันโน ภาพร้อมกันครับความมาจโรกาทิปติสหัมปติการอัญเชรียนญทิวรังยาจาร า, าสัมงปีตาตัดตาปราชขาขจาติกาเอเสตูธมังอนุกามปีมังปัจชา ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันดีนะเพราะว่าเป็นวันพร ะ, ะเวลาพูดถึงวันพระเราก็า จ, จะนึกเข้าใจว่าหมายถึงพระสงฆ์เป็นวันพระก็ต้องมาพบพระสงฆ์มาถวายทานกับพระสงฆ์แต่ที่จริงแล้ววันพระมีความหมายถึงวันพระธรรมถ้าจะ พูดให้ถูกต้องก็คือเป็นวันธรรมสาวันะวันธรรมสาวันะคือวันฟังธรรม เ, เมื่อถึงวันพระก็เป็นวิสัหมายว่าเราจะได้มาพร้อมใจกันฟังธรรมหรือเรียกว่าธรมานะธ ร, รมสาวันะธรรมสวนะหรือการฟังธรรมนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลอันสูงสุดหนึ่งในมงคลสาสปดนะ ที่จริงแล้วการฟังธรรมไม่ว่าในโอกาสใดก็เป็นสิ่งที่ควรทำไม่จำเป็นว่าต้องรอให้เป็นวันพระนะวันนี้ก็เผอิญเป็นวันพระพอดนะีเราก็ได้มาร่วมกันมาฟังธรรมพวกเราทั้งหลายนะก็เป็นผู้ที่นับถือเอาพระพุทธองค์นะเป็นที่พึ่ง คำว่าเป็นที่พึ่งนี้เนี่ยมีความหมายหลายอย่างอาจจะหมายถึงการหวังพึ่งพระองค์ในยามที่เรามีความทุกข์หรือว่าหวังพึ่งพระองค์เพื่อที่จะให้เรามีความสุขยิ่งขึ้นไปคนจำนวนมากก็หวังพึ่งพระองค์ในแง่นี้แต่ที่จริงแล้วเนี่ยการนับถือเอาพระพุทธองค์เป็นสารณะ ที่มีความหมายสูงกว่านั้นก็คือว่าเรานับถือพระองค์เป็นแบบอย่างของชีวิตอันประเสริฐสุดเป็นผู้ที่บรรลุถึงจุดหมายหรืออุดมคติสูงสุดของชีวิตเป็นผู้ที่สามารถทำให้อุดมคติสูงสุดนั้นเป็นจริงได้เป็นผู้ที่เข้าถึงประโยชน์ขั้นสูงสุดที่ก็ปรกว่าปรมาถาผู้อยน่นก็คือผู้ที่ สามารถพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้ถึงภาวะสูงสุดจนพ้นจากความเป็นมนุษย์บุทุชนจนเป็นผู้ที่อยู่เหนือโลกถ้าเรานับถือพระพุทธเจ้าในแง่นี้คือนับถือพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตอันประเสริฐนะก็จะทาให้เราเนี่ยมีความเพียรพยายามที่จะดำเนินชีวิตของเราตามรอยพระบาทของพระองค์ ซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต่างจากการที่เรานับถือพระองค์ในแง่ที่เป็นที่พึ่งที่จะช่วยให้เราเพ้นทุกข์อย่างคนทั่วไปพราถ้าเรานับถือในแง่นี้ก็จะคล้ายๆกับว่ามาเรียกร้องให้พระองค์เนี่ยมาช่วยเราเวลาเราเจ็บเวลาเราป่วยเวลาเรามีความทุกข์โดยเฉพาะในปัจจุบันเศรษฐกิจไม่แน่นอนธุรกิจกําลังจะล้มละลาย หลายคนก็นึกถึงพระองค์ในแง่นี้คืออยากจะให้พระองค์มาช่วยนะก็จะเป็นคล้ายๆกับการไปบนบานสารกล่าวนะแต่ถ้าเรานับถือพระองค์ในอีกแง่หนึง่งก็คือว่านับถือว่าพระองค์เป็นแบบอย่างของชีวิตอันประเสริฐแทนที่เราจะเรียกร้องให้พระองค์มาหาเราเราต่างหากที่จะพยายามก้าวเข้าไปหาท่านพยายามพัฒนาตนเพื่อที่จะ เข้าใกล้ภาวะสูงสุดที่พระองค์เป็นแบบอย่างตรงนี้ต่างกันนับถือพระองค์ในฐานะที่เป็นที่พึ่งจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้ก็จะเป็นการดึงเอาพระองค์มาหาเราแต่ถ้าเกิดว่าเรานับถือพระองค์ในฐานะที่เป็นแบบอย่างแห่งชีวิตอันประเสริฐเราจะไม่ดึงพระองค์มาหาเราแต่เราจะก้าวจะพัฒนาเพื่อที่จะไปเข้าถึง พระองค์หรือเข้าถึงภาวะที่พระองค์เป็นแบบอย่างที่แสดงให้ประจักษ์ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยจเจริญงอกงามสูงขึ้นแทนที่จะดึงพระองค์ให้ต่ําลงมาหาเราเราก็พัฒนาตนเพื่อให้สูงขึ้นไปเรื่อยๆนะจนอยู่เหนือโลกอย่างที่พระองค์ได้แสดงให้เราดูหรือว่าสอนให้เราตระหนัก คนนี้ถ้าเกิดว่าเรานับถือพระองค์ในทานที่เป็นแบบอย่างของชีวิตอันประเสริฐเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรควาว่าชีวิตอันประเสริฐที่แสดงออกมาเป็นบุคลาทิษฐานหรือว่ามีพระองค์เป็นแบบอย่างเนี่ยถ้าจะกล่าวอย่างสั้นๆนะก็พูดได้ด้วยคำสองคา หรือพูดได้ด้วยธรรมะสองประการก็คือปัญญาและกุณนาหาพุทธคุณหรือว่าองคุณแห่งความเป็นพระพุทธองค์เนี่ยสรุปอย่างสั้นๆก็มีสองก็คือปัญญาและกรุณาหรือว่าปัญญาคุณกรุณาคุณบางครั้งก็มีการเติมเข้ามาเป็นองคุณอันที่สาเรียกว่าวิสุทธิคุณนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะ แสดงออกนะด้วย อ, องคุณสองประการนี้คือปัญญาและกรุณนาเวลาเราอ่านหรือสวดมนต์ทำวัดเนี่ยเราจะสังเกตว่าเนี่ยจะมีคำสองคำที่คู่กันนะปัญญาคุณและกรุณนาคุณองคุณสองประการนี้เนี่ยเป็นเสมือนสองด้านของเหรียญเดียวกันนะ เป็นสองด้านของเดืองเดียวกันเหมือนกับหัวและก้อยคือไม่อาจแยกขาดจากกันไดนะ้ปัญญาคุณนั้นก็เกิดก็หมายถึงปัญญาที่รู้เข้าใจความจริงของชีวิตจนกระทั่งเห็นถึงภาวะที่ไม่มีตัวตนหรืออนัตตาเมื่อเห็นเช่นนี้ก็ทำให้จิตเนี่ย หลุดพ้นจากความยึดถือว่าเป็นเราว่าเป็นของเรานะเมื่อจิตว่างเปล่าจากความยึดถือว่าเป็นตัวตนความเห็นแก่ตัวก็พังทลายหมดสิน้นหรือผู้อย่นนั่นก็คือว่าจิตนั้นเปิดกว้างจนกระทั่งมีกรุณามีเมตตาต่อสรรพสัตว์อย่างไม่มีประมาณนะ เพราะว่าหมดซึ่งความเห็นแก่ตัวเมตตาหรือกรุณาก็เบ่งบานขึ้นอย่างไม่มีประมาณนั้นกรุณาในพุทธศาสนาเนี่ยถึงที่สุดแล้วเนี่ยไม่ได้เกิดจากการที่แผ่เมตตาอยู่เป็นประจำ หรือว่าเป็นการน้อมนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นจกนกระทั่งจิตเกิดความเมตตาแต่ว่าถึงที่สุดแล้วกรุณาในพุทธศาสนาที่มีพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างนี้เกิดจากการที่รู้แจ้งเห็นจริงจงกนกระทั่งหมดสิน้นจากความยึดถือในตัวตนเมื่อเมือไม่มีตัวตนสิ่งที่ขวางกัน ร, ระหว่างฉันกับผู้อื่น นะระหว่างฉันกับโลกก็จะไม่เหลือไม่มีต่อไปนะเมื่อถึงตรงนั้นความรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนะก็จะเกิดขึ้นมาตรงนี้แหละที่เรียกว่ากรุณานะเป็นกรุณาอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีการเลือกที่รักมากที่ชังนะพระพุทธองค์ทรงมีกรุณา ต่อพระเทวทัตหรือมีความรักต่อพระเทวทัตไม่ได้ด้อยไปกว่าที่มีต่อพระลาหุนซึ่งเป็นโอรสของท่านถึงแม้ว่าพระเทวทัต น, นั้นจะหมายปองมุ่งร้ายต่อชีวิตของพระองค์ก็ตามแต่เมื่อหมดสิ้นซึ่งความยึดถือในตัวตนนะไม่มีเราไม่มีเขา ก็ไม่มีที่ตั้งให้กับความโกรธไม่มีที่ตั้งให้กับเกลียดจิตก็สามารถที่จะแผ่ความรักไปอย่างไม่มีประมาณไม่มีการเลือกที่รับมาที่ชังเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยซึ่งมีถึงแป0 0 0สพัพระธรรมขันธ์ถ้าหากว่าจะสรุปแล้วก็แสดงออกด้วยปัญญาและกรุณา นะซึ่งตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงแค่องคุณของพระบรมศาสดาที่มีไว้เพื่อให้เราสรรเสริญกราบไหว้แต่มีเพื่อน้อมใจหรือบรรดานใจให้เราเนี่ยพัฒนาตนเพื่อที่ใจของเรา จะเข้าถึงภาวะที่เปลี่ยนไปด้วยปัญญาและกรุณาอันยิ่งใหญ่อย่างพระองค์้ปัญญาและกรุณาเนี่ยจะว่าไปแล้วก็เป็นเครื่องวัดนะถึงความก้าวหน้าในการปฏิบัติตนในการพัฒนาตนในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือในฐานะที่เป็นมนุษย์ก็ว่าได้เราไม่ได้วัดความเจริญก้าวหน้า ของชีวิตด้วยทรัพย์สินเงินทองด้วยชื่อเสียงด้วยบริษัทบริวารด้วยปริญญาหรือว่าอำนาจสิจ่งเหล่านี้ไม่มีความหมายในแง่ของชาวพุทธแต่สิ่งที่เป็นเครื่องวัดความเจริญก้าวหน้าของชีวิตก็คือปัญญาและกรุณาปัญญาที่สามารถที่จะ แก้ทุกข์ได้ด้วยตัวเองปัญญาที่สามารถจะลายเห็นว่าทุกข์นั้นเนี่ยมันเกิดจากความหลงความยึดติดนะในตัวตนซึ่งเป็นอุปสรรคขวางกั้นที่ทำให้เรามองผู้อื่นอย่างเป็นศัตรูหรือมองว่าเป็นปรปักมองว่าเป็นเหยื่อที่จะให้เราเอาเปรียบเอา ขอบโกยหรือว่าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่พวกเดียวกับเราอันนี้เป็นอุปสรรคไอความยุติในตัวตัวนี้เป็นอุปสรรคที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถมีใจเปิดกว้างจนเกิดมหากรุณาได้แต่เมื่อใดก็ตามที่เราสามารถที่จะมีปัญญาและเห็น ถึงรากเหง้าของความทุกข์และช้ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยเบาบางลงจากความยึดติดชีวิตเราจิตใ จ, จเราก็จะเบาจิตใ จ, จเราก็จะเบาจากความทุกข์และชีวิตเราก็จะเบาจากความยึดติดในทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงเกียรติยศบริษัทบริวารหรือที่เรียกสั้นๆว่าโล ก, กธรรมชีวิตเราก็จะเบาเบาเพราะมีปัญญา และเมื่อเหตุนั้นด้วยเหตุนั้นเนี่ยกรุณาปัญญาที่เกิดจากปัญญาก็จะตามมาเราก็จะมีความรักเราก็จะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นแต่ตาใดที่ยังยังนึกถึงตัวเองยังคิดถึงแต่ตัวเองนะยังไม่สามารถรู้สึกถึงความปรารถนา ที่จะช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นได้ตรงนั้นก็อาจแสดงว่าการปฏิบัติของเรานะยังไม่ก้าวหน้าพรนะาธรรมคิดว่าปัญญาและกรุณาเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่จะมาใช้วัดนะความเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นชาวพุทธหรือว่าในฐานะที่เป็นมนุษย์นะ จะสังเกตไดว่าปัญญาในที่นี้เนี่ยไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกี่ยวกับเรื่องโลกรอบตัวหรือเกี่ยวกับจั ก, กรวาลอันนั้นตามมาทีหลังแล้วก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าปัญญาที่เกิดจากความรู้แจ้งเห็นจริงในในตัวเราเองก็คือนี้ไม่พ้นเรื่องกายเรื่องใจนะจนกระทั่งไม่ยึดว่านี่เป็นกายเรานี่เป็นตัวเรานี่เป็นใจเรานี่เป็นของเราปัญญาที่เกิดจากการ มองตนจนเห็นธรรมแล้วก็ทําให้ใจเนี่ยสามารถที่จะเผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์ได้ในด้านนีงคือการมองเข้ามาภายในและขณะเดียวกันก็เปิดใจออกสู่โลกภายนอกมันเป็นลูกศรที่ย้อนกันนะมองเข้ามาภายในและเปิดใจสู่โลกภายนอกเข้าในแล้วก็ส่งออกแล้วก็แผ่ไปสู่โลกภายนอก ไม่ใช่เข้ามาข้างใ น, นแล้วก็จมดิ่งติดตานอยู่ตรงนั้นนะแต่สามารถที่จะแผ่ออกไปนะออกสู่โลกภายนอกด้วยใจที่เปิดกว้างเพราะไม่มีอัตตาตัวตนซึ่งเป็นเหมือนคุกที่ขังจิตใจของเราไว้มีนิทานนะเป็นนิทานเซนนะซึ่งอาตมาคิดว่าน่าให้แง่คิดที่ดีนะแต่เป็นนิทานที่อาจจะดูเหมือนเรียบเรียนะ บางคนฟังแล้วก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาต้องการสอนอะไรเป็นเรื่องของคนตาบอดวันหนึ่งคนตาบอดก็ไปเดินเดินไปเยี่ยมเพื่อ น, นเพื่อนเป็นคนตาดีก็คุยกันจนค่าเมื่อถึงเวลาคนตาบอดก็ก็จะกลับบ้านเพื่อนก็มอบโคมไฟโคมที่จุดด้วยเทียนให้เพื่อนที่ตาบอด คนตาบอดก็บอกว่าฉันจะเอาโคมไปทำไมฉันตาบอดความมืดหรือความสว่างไม่มีความหมายสาหรับฉันแต่เพื่อนบอกว่าเอาไปเถอะถึงแม้คุณไม่ไม่ต้องการโคมนี้แต่ว่าคนอื่นเนี่ยนะเมื่อได้เห็นโคมนี้เขาก็จะเดินไม่มาชนคุณเ้าเพื่อนก็เลยเพื่อนคนตาบอดก็เลยรับไปแล้วก็พอเดินออกไปที่บ้านออกไป เดินกลับบ้านไปสักพักก็ปรากยมีคนมาเดินชนโคมใหญ่เลยคนตาบอ ก, ก็โกรธมากโมโหบอกว่าตาบอดหรืองไงไม่รู้หรือว่าฉันจุดโคมอยู่คนที่มาเดินชนก็บอกว่าท่านเอ๋ยโคมไฟของท่านดับไปแล้วคือดับไปนานแล้วจบนะรู้ไหมว่าเขาต้องการบอกอะไร เขาต้องการเขาเขาสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของคนตาบอดนะคนตาบอดไม่ต้องการใช้โคมเวลาเดินกลับบ้านแต่เพื่อนบอกว่าถึงแม้คุณไม่ใช้แต่คนอื่นก็ใช้คขควอื่นโคมไฟมีประโยชน์สำรคนอื่น น, ะนิถานรืงนี้เขาต้องการสอนให้คนเราเนี่ย เวลาหัดนึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นบ้างหัดหัดคิดถึงหรือคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นบ้างไม่ใช่แค่คำนึงถึงแต่ตัวเราของบางอย่างเรามันไม่จำเป็นสาหรับเราเลยแต่มันเป็นประโยชน์สาหรับผู้อื่นนะเราก็ควรจะอนุเคราะห์นะเมื่อคิดถึงประโยชน์ก็อย่าคิดถึงแต่ประโยชน์ตนให้คิดถึงประโยชน์ท่านด้วยซึ่งในที่สุดมันก็หนีไม่พ้นกลับมาเป็นประโยชน์ตนเพราะว่า ขมไฟล์นั้นก็มีประโยชน์สำหรับคนอื่นแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อตั ว, ตวคนตาบอดด้วยเขก็ไม่เดินมาชน <Yeah. S 1> เมื่อคิดถึงประโยชน์ก็คิดถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยอย่าคิดถึงประโยชน์ตนอย่างเดียวแต่ในเวาเดียวกันเมื่อเกิดปัญหาเมื่อเกิดความผิดพลาดอย่าไปโทษคนอื่นให้กลับมามองที่ตนเองทันทีที่ชายตาบอดถูกคนชนแกก็ไปว่าว่าแกตาบอดเรื่องไงมาเดินชนฉัน แต่คนตาบอดไม่รู้หรอกว่าโคมไฟขงคุณเน่ยมันดับไปนานแล้วคนตาบอดบอกว่าไม่เห็นโคมหรือไงถึงมาเดินชนท่านได้แต่คนตาบอดไม่มีทางรู้เลยว่าก็โคมของคุณมันดับไปนานแล้วอ่ะคนทั่วไปเนี่ยก็ไม่ต่างจากคนตาบอดก็คือว่าเวลามีปัญหาหรือเวลามีความทุกข์ก็จะโทษ คนอื่นแต่ไม่หันกลับมามองตัวเองแล้วถ้าคนที่ไม่สามารถจะหันกลับมามองตนได้เลยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นเวลามีความทุกข์กดเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่ต่างจากคนตาบอดแล้วในเวลาเดียวกันคนที่คิดถึงแต่ประโยชน์แต่ของตัวเองแต่ว่าไม่เคยคำนึงถึงประโยชน์ของผู้อื่นก็ไม่ต่างจากคนตาบอด นิสัยเนี้เขาต้องการสอนในมุมกลับว่านะเวลาเรานึกถึงผู้คำนึงถึงประโยชน์ก็ขอให้คำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่นด้วยแต่เวลาเกิดปัญหาอย่ามองไปที่ข้างหน้าอย่ามองไปที่ข้างนอกให้กลับมามองตัวเองซึ่งตรงข้ามกับคนส่วนใหญ่นะที่คิดคิดถึงคำนึงแต่ประโยชน์ของตนแต่ไม่ค่อยสนใจประโยชน์ผู้อื่นแต่เวลามีปัญหาก็จะ เพ่งออกนอกพุ่งไปข้างนอก ท, ทันทีไม่สามารถหรือไม่คิดที่จะกลับมามองตนพวกเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่าเวลาเรามีความทุกข์นะเวลาเรามีปัญหาเราก็จะโทษข้างนอกโทษคนโน้นคนนี้ที่เขาพูดจาไม่ดีกับเรา โทษคนน้นคนนี้ที่เขาตำหนิวิจารณเราโทษรถติดโทษดินฟ้าอากาศโทษรัฐบาลแต่เราไม่หันมามองตนว่าเป็นพ่อใจของเราต่างหากนะที่มันวางไว้ไม่ถูกเราไปเอาคำตำหนิ ที่ผ่านไปเป็นวันเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเราไม่ยอมให้มันผ่านไปเปล่าๆ เ, เราไม่ยอมมันผ่านเลยไปแต่เราไปยึดแล้วก็มาตอกย้ําซ้ําเติมตัวเองเหมือนกับคอยกรีดแผลให้มันปวดไม่แล้วจบเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วแต่ทําไมเรายังไปยึดสิ่งนั้นๆอยู่ แก้วที่อยู่ในมือเนี่ยถ้าวางไว้เฉยๆมันก็ทำอะไรเราไม่ได้นะแต่เป็นเพราะเราไปกรรมเราไปบีบต่างหากแล้วเราเจ็บเรามีแผลเราจะโทษอะไรดีจะโทษแก้วหรือว่าโทษใจที่มันบังคับให้หรือสั่งให้มือเนี่ยบีบกาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราทุกข์กับเรื่องที่เป็นอดีตนะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดเกิดขึ้นกับเราของหายถูกตำหนินะประสบความล้มเหลวเจอ้อุปรสรรคต่างๆสิ่งเหล่านี้มาเป็นอดีตไปแล้วแต่เราไม่ยอมให้มันผ่านไม่ยอมให้มันเป็นอดีตเรายังไปยึดแล้วก็เก็บมาทรํรลายจิตใจตัวเอง เราไม่ได้ทุกข์เฉพาะเรื่องอดีตเราไม่ได้ทุกข์เฉพาะเรื่องที่กังวลกับอนาคตนะแต่เรายังทุกข์อีกหลายอย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยเราทุกข์เพราะเราไปยึดติดถือมั่นในความเป็นเราเป็นของเราทําไมของหายเราถึงทุกข์เพราะเรายังคิดว่านั่นเป็นของของเราอยู่ถ้าเงินคนอื่นหายเราไม่ทุกข์หรอกใช่ไหมฮ รถคนอื่นถูกขโมยเราไม่ทุกข์แต่ไม่ได้ก็ตามที่เราไปสำคัญมั่นหมายว่านั่นเป็นรถของเราเงินของเราขายไปก็ดีถูกขโมยก็ดีเราก็จะทุกขนะ์เพราะว่ามันเป็นของเราเพราะว่าเรายึดว่ามันเป็นของเราแต่มันเป็นของเราจริงหรือเปล่านะเราบังคับเราบัญชามันได้ไหมนะ แล้วอย่าว่าแต่ของหายเลยถ้าหากว่าเรายึดว่าเป็นของเราแม้แต่เวลาเราให้ให้ของนั้นแก่ใครไปเราก็ยังทุกได้นะถวายอาหารให้หลวงพ่อแล้วหลวงพ่อไม่ฉันของเราเราก็ทุกใช่ไหมถวายจีวรให้ท่านท่านไม่ฉันท้าไม่ใส่จีวรของเราเราก็ทุกใช่ไหม เราถวายให้ไปแล้วทำไมยังเป็นของเราอยู่ก็ต้องเป็นของท่านท่านจะฉันไม่ฉันท่านจะหหมจีวิหรือไม่ก็เป็นเรื่องของท่านแต่เพราะเรายังมีเยื่อใยแห่งความเป็นของเราอยู่เราก็เลยทุกทําบุญก็เลยทุกเนี้ยอย่าว่าแต่ของหายเป็นทุกเลยแม้แต่ทําบุญก็เป็นทุกเพราะว่าความยึดติดถือว่าเป็นของเรามันยังมันยังมีอยู่ อันนี้เราเป็นการทำบุญด้วยใจที่มีเยื่อใหนะซึ่งไม่ทำให้จิตใจนี่เป็นกุศลได้อย่างแท้จริงเวลามีอ่านข่าวประสบอุบัติเหตุมีคนตายเราก็ไม่รู้สึกทุกข์ใช่ไหมไม่สุขเสียใจเพราะแลไรก็เพราะเขาไม่ใช่เพื่อนเราไม่ใช่พี่น้องของเราไม่ใช่ญาติของเรานะ แต่ทันทีที่คนเหล่านั้นเนี่ยบางคนเป็นเพื่อนของเราเป็นพี่น้องของเราเป็นพ่อเป็นแม่ของเราความทุกข์มันเกิดขึ้นทันทีเลยตายร้อยคนตายเป็นพันคนเราเฉยๆแต่แค่ตายคนเดียวและเป็นของเรานี่ทุกข์เลยมันต่างกันตรงไหนฮะระหว่างสองเหตุการณ์มันต่างกันที่ความยึดติดถือมากว่าเป็นของเรามีคนหนึ่งเขาไลฟฟังนะเขาอยู่ราบดบุรี เมื่อสักส0ปีก่อนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์คือรถรถรถโดยสารเนี่ยชนกับรถไฟกลางเมืองประมาณตอนสัก3ามสี่โมงเย็นถ้าจะไม่ผิดคนตายไปยี่สกว่าคนคนที่เล่าเนี่ยเขาอยู่ในเาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าเขาได้ยินเรื่องราวทันทีที่เกิดเหตุก็คงไม่ทันทีอาจจะผ่านไปสักชั่วโมงสองชั่วโมง แบบหนึ่งที่ผุดขึ้นมาในใจคือเขาบอกว่าเออดี D นะลดประชากรโลกเขาคิดแบบนี้นะฮะแต่ตกค่ำเขามาพบว่าหนึ่งในนั้นของคนที่ตาย20บเอรนเนะี่ยเป็นญาติเขาเป็นหลานพลิกเลยนะมีความทุกข์ความเศร้าเสียใจและความรู้สึกผิดว่าทาไม ไปมีไฟมีความรู้สึกอย่างนั้นตอนที่ได้ยินข่าวครั้งแรกว่าเออดีนะมันจะได้ลดประชากรโลกทําไมจิตถึงพลิกฮะก็เพราะไปความรู้สึกหรือการได้พบว่าหนึ่งในนั้นเป็นคนของเราให้ความยึดติดถือมาเป็นเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันมันมันคือตัวการคือรากเงานะ ที่ทำให้คนเราเนี่ยทุกข์หรือมีท่าทีที่แตกต่างกันนะจริงแล้วเนี่ยสำหรับผู้ที่มีกรุณาเนี่ยนะเมื่อเราได้ยินข่าวแบบนี้เนี่ยเราก็อาจต้องรู้สึกเสียใจเสียใจถึงแม้เราไม่รู้จักเขาแต่เราก็เสียใจแทนเขาเสียใจแทนพ่อแทนแม่เพราะคนเราเนี่ก็มีพ่อมีแม่มีลูกเรานึกถึงเขาเราก็เสียใจ นะความรู้สึกเสียใจแทนผู้อื่นเนี่ยมันก็เป็นความเป็นมนุษย์อย่างหนึ่งนะซึ่งเราก็ควรมีบางทีเราปฏิบัติธรรมแล้วเรารู้สึกว่าความสึกแบบนี้มีไม่ได้เราต้องไม่รู้สึกอะไรนะนะักปฏิบัติธรรมที่ดีคือไม่รู้สึกอะไรซึ่งบางทีมันทำให้เราไม่ต่างจากคนที่เย็นชากระด้างแต่เราไม่รู้สึกจริงหรือเปล่านะ เราไม่รู้สึกเพียงเพราะว่าคนที่ตายนั้นไม่ใช่พี่น้องของเราแต่ทันทีที่เราร่วมเป็นคนของเราเป็นอาจารย์ของเราเป็นพี่น้องของเราเนี่ยไอ้ความรู้สึกที่จะแทรกทาว่าฉันไม่รู้สึกเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อาจจะแทรกทำในวันแรกสองวันแรกสามวันแรกแต่นั่นคือปฏิเสธการปฏิเสธตัวเองเพราะถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องถล่มทลายทเศร้าโศกเสียใจนะ แน่นอนมาคิดว่าท่าทีที่ควรจะเป็นสำหรับปุ้ทุชนอย่างเราคือเราสึกเห็นใจแทนผู้อื่นที่เขาต้องสูญเสียลูกสูญเสียคนรักสูญเสียพ่อสูญเสียแม่ในแบบต่อมาเราจะบอกว่าเออโชคดีนะที่ไม่เป็นเราโชคดีนะที่ไม่เป็นพี่น้องของเราแต่ถ้านั้นไม่พอนะในงานของชาวพุทธเราต้องคิดต่อไปว่าแล้วสักวันหนึ่งถ้าเป็นเรา ถ้าเกิดขึ้นกับเราถ้าเกิดขึ้นกับพี่น้องของเราเราจะทําอย่างไรเราเคยคิดบ้างหรือเปล่าการคิดเช่นนี้เนี่ยดูเหมือนเสียดแทงใจแต่ว่ามันทําให้เราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตอันนี้ก็เป็นมรักสติอย่างหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเกิดความตระหนักถึงความชั่วครู่ชั่วยามของของชีวิตความประเดียวประดาวซึ่งทําให้เรา ได้ตรักว่าเรามีเวลาในโลกนี้จํากัดเพราะฉะนั้นเราต้องเร่งทำความดีเร่งสะส า, สางานการที่ค้างค้างนะมันไม่มีประโยชน์ถ้าเราเพียงแต่บอกว่าเออดีนะที่ไม่เป็นชั้นดีนะที่ไม่เป็นลูกของชั้นถ้าคิดเท่านี้จบนะอันนี้ยังไม่ใช่เป็นวิสัยของชาวพุทธแต่เราควรจะเห็นใจคนที่ประสบความทุกข์และเราก็ หันกลับมามองตนว่าแล้วเราพร้อมหรื อ, อยังเมื่อเราต้องเจอกับเหตุการณ์แบบนี้หรือเมื่อคนรักของเราประสบเหตุการณ์แบบนี้ถ้าเราไม่พร้อมก็ต้องเล่งทําความเพียรอย่าปล่อยเวลาสูญเปล่าย้อนกลับมานะฮะก็คือว่าอาตมาต้องการจะชี้ชีช้ว่าไอร้รากง้าวของความทุกข์นะมันไม่ได้ที่คนอื่นแต่มันอยู่ที่อยู่ที่ใจของเราที่วางไว้ไม่ถูกต้องโดยเพราะใจที่ไปยึดติด ก, กับ อดีตบ้างอนาคตบ้างและที่มันลึกไปกว่า น, นั้นคือการไปยึดติดว่าเป็นเราเป็นของเราซึ่งมันเป็นการยึดติดที่สวนทางกับความเป็นจริงเพราะอันที่หนึ่งไม่มีอะไรที่เป็นของเราไม่มีอะไรที่เป็นตัวเราและที่สองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเสื่อมมันก็จะแปรสภาพไปถ้าเราไปยึดมันเมื่อไหร่เราก็จะทุกข์เราก็จะเสียใจ และเวลาเราทุกข์เราเสียใจถ้าเราไม่มองเห็นความจริงตรงนี้เราก็จะไปโทษคนอื่นเราจะไปโทษชะตากรรมว่าทำไมต้องเป็นฉันทำไมต้องเป็นลูกฉันฉันทาความดีมาตลอดแต่ทำไมฉันต้องเป็นมะเร็งทำไมฉันต้องเสียลูกแล้วเราก็จะโทษนะถ้า ม, ถามาีถ้าเราก็จะถ้าเราถ้าเรามีพระเจ้าถ้าเราเชื่อพระเจ้าเราก็จะโทษพระเจ้านะหรือถ้า เราไม่ถ้าเราเป็นชาวพุทธเราก็จะโทษว่ากฎแห่งกรรมไม่มีจริงเราก็จะพังสลัดกฎแห่งกรรมให้มันล้มคลื่นไปเราก็จะด่ากฎแห่งกรรมว่ามันไม่ใช่แต่เราลุ่งกลับมามองตัวเราว่าเป็นพ่อเราประมาทในชีวิตไหมเป็นเพราะเราไปยึดติดถือมั่นในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงหรือเปล่าเป็นพาะเรามีชีวิแบบหลง ลืมตระหนักถึงความไม่ถที่งของชีวิตใช่หรือเปล่าดังนันะในแงของชอบูดเนี่ยเราจะย้อนกลับมาดูตัวเองเราจะย้อนกลับมามองตนเมื่อประสบทุกข์เมื่อเกิดปัญหาและเมื่อเรามองตนอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่มองตนเวลาเราจะไม่ไม่ใช่มองตนเฉพาะเวลาทุกข์แต่แม้เวลาสุขเราก็มองเข้าไปจนเห็นถึงความยึดติดในสุขซึ่งมันไม่เที่ยง เราอาจจะเผลอกลืลนภูมิใจนะแต่ถ้าเราจบแค่นั้นอันนั้นก็เรียกว่าประมาทแล้วเราก็เตรียมตัวทุกได้เลยเพราะว่ามันไม่มีสุขไหนที่ยังยืนถ้าเราเพลินยินดีกับความกับคำชมคำสรรเสริญเราก็เตรียมใจทุกได้เลยเพราะเราต้องเจอคำตาหนิ สารเสริญกันินทาหรือตําหนิเป็นของคู่กันเคยมีคนมาถามว่าทํายังไงถึงจะไม่ทุกเวลาคนตําหนิธรรมะก็ตอบสั้นๆว่าก็เวลาเขาชมก็อย่าไปดีใจสิมันก็มีแค่นั้นแหละถ้าเราชื่นชมยินดีเวลาเขาสารเสริญเราหรือเวลาประสบความสําเร็จก็แน่นอนเวลาเขาตําหนิหรือเวลาถูกตําหนิหรือเวลาประสบประศักด์เราก็จะย่อมทุกข์และเวลาเราทุกข์เราก็จะไปโทษคนโน้นโทษคน น, น, ค น, นี้แต่เราลืมมองไปที่ใจของเราว่า ก็เราเผลอเนเราเผลอไปยินดีในสิ่งซึ่งในคําชมซึ่งมันไม่ไม่เคยเที่ยงแท้เลยแลนะเพราะฉะนั้นเมื่อมันพลิกผันจากสารเสวนเป็นตนําหนิเป็นดินทาเราก็ต้องทุกข์เป็นธรรมดาถ้าคุณปล่อยตัวให้อยู่สูงเวลาตกลงมาก็ยิ่งเจ็บยิ่งอยู่สูงเท่าไหร่ก็ยิ่งเจ็บเท่านั้นนะใจที่ เพลนลอยไปกับคําสารเสวนเยนยอก็คือใจที่เตรียมตัวทุก์ได้เลยเพราะว่าสักวันหนึ่งไอค้คาสารเสวนเยยอมันก็จะหายไปหรือว่ามันจะมีตัวอื่นเข้ามาแทนก็คือคําคํานิคำวิาพากวิจารณยิ่งอยู่สูงก็ยิ่งเจ็บเมื่อตกลงมาอย่างพื้นนะอันนี้คือการที่เราเนี่ยมันมองตนจนเห็นว่า ลางง่า ย, ย่างความทุกเนี่ยมันอยู่ที่ที่ความยึดติดนะในสุขแล้วก็ในทุก์ในเสรเสริแล้วก็ในนินทาในโลกธรรมทั้งฝ่ายวกและฝ่ายลกแน่นอนคนเราต้องเพลินผู้ดชนเราก็เพลินแต่ถ้าเรารู้เท่าทันนะเราก็วางมันได้เมื่อมีคนตาหนิ เราฉุนเฉียวเราหงุดหงิดเรารู้ทันเราก็วางมันไดนะ้พระพุทธองค์เคยสอนนะให้สอนพระนันทิยะนะพระนันทิยะนี้ก็เป็นสามุตเป็นภาษาวกองค์หนึ่งของพระบรมศาสดาก็มีคน ม, มีคนถามว่าตามพระนันทิยะว่าพระองค์พระเจ้าสอนอะไรนะพระนันทิยะก็อธิบายหลายอย่าง น่าสนใจทั้งนั้นแต่มีตอนหนึ่งท่านก็บอกว่านะเวลาประสบคำดา่าคำว่าหรือประสบความเสื่อมให้ถือสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุแห่งความสลดสังเวชสลดสังเวชในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเศร้าโศกนะแต่หมายถึงว่าเป็นการเตือนใจให้ไม่ประมาะสังเวชหรือสังเวชนิยสถานเป็นคำเดียวกันนะ ก็คือเพื่อให้เกิดความตระหนักรู้ในความจริงชีวิตสังเวชนิสธรรไม่ใช่ที่ที่ไปสวดสังเวชแต่เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้เท่าทันในความเป็นจริงดนั้นเมื่อเจอคําตําหนิคาําด่าหรือว่าเหตุและความเสื่อมก็ให้ถือว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุให้เรามาพิจารณาความจริงของชีวิตแล้วก็เร่งทําความดีเพื่อระงับไม่ให้เกิดความเสื่อมนะและในเดียวกันเวลาเดียวกันเมื่อ ประสบความสำเร็จได้รับกางชื่มชนสรรเสริญนะท่านก็บอกว่าก็อภิรมในความในสิ่งเหล่านั้นแต่แต่อย่าเพลินอย่าไหลหลงนะให้ทำความดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะเป็นการต่อยอดนะใช้ภาษาสมัยใหม่เลยคือเป็นการต่อยอดของความดีที่เราได้ทำไม่ใช่แค่ไม่ใช่ว่าเพลินใจแล้วก็หยุดเท่านั้น ป ล, ปลื้มปริมอิมเอมนะนะอันนี้เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์ทั้งจากอิทธารมและอนิถารมอิทธาร ม, ารมคืออารมณ์ที่ไม่น่าพออารมณ์ที่พอใจสิ่งดีๆที่น่าพอใจที่น่ายินดีคำช่ำคำชมคําสรรเสริญความสําเร็จนะรวมทั้งทรัพย์สินเงินทองให้ใช้ประโยชน์ทั้งจากอิทธารมและอนิถารมอนิธาร ม, นนารมคือตรงกันข้าม นินทาวิภาษวิจารณ์ความล้มเหลวความสูญเสียทรัพย์เป็นต้นเราจะรู้จักใช้อิทธารมณ์แล้วอิทารมณ์ได้ไงก็ต่อเมื่อเราหันมามองตนอยู่บ่อยๆแต่ทั้งหมดนี้จะต้องเริ่มต้นจากการที่เราเจอทุกข์เราเจอทุกข์แล้วเราหันเราหันมามองตนแทนที่จะเพ่งโทษไปที่คนอื่นหรือชี้นิ้วไปที่คนอื่น ถ้าเรามองตนในสุดนีก่ก็จะก็จะก็จะเห็นนะก็จะเห็นนะลึกไปจนกระทั่งเห็นถึงไอ้ความยุติในตัวตนซึ่งมันเป็นอุปสรรคสำคัญเราจะเห็นเลยว่าไอ้รากเงาของความทุกเนี่ยก็คือความยุติในตัวตนนะหรือที่เรียกภาษาผู้ภาษาสมัยใหม่ง่ายๆคือความมีอัตตาอัตตาที่มันหนาแน่น และยิ่งก็จะเห็นเห็นจนกันทั่งว่าแท้จริงแล้วอัตตาไม่มีจริงตัวเราของเราไม่มีจริงแต่มันเป็นสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมาเมื่อเห็นความจริงถึงขั้นนี้ได้ก็สามารถที่จะวางนะสามารถที่จะวางใจเราก็เปิดกว้างนะเกิดเมตตาเกิดกรุณาอย่างไม่มีประมาณนะเราก็จะ สิ่งที่เป็ น, ส, ปนสิ่งที่เป็นตัวอุปสรรคขวางกัน้นระหว่างเรากับผู้อื่นระหว่างฉันกับโลกก็จะหมดไปเพราะแต่ก่อนอัตตาเป็นตัวขวางเอาไว้แต่พออัตตาไม่ค่อยเบาบางไปจนทั้งปล่อยวางได้มันก็สุดเป็นหนึ่งเดียวกนนันการที่เราเห็นถึงเห็นถึงความไม่มีตัวไม่มีตนหรือตลอดความจริงว่าตัวตนนั้นแท้จริงหามีไม่เนี่ย กับการที่ใจของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งเนี่ยมันเป็นอันเดียวกันมีมีนักคิดเะเรียกว่าเป็นนักคิดหรือว่าจะมีนักปฏิบัติชาวอินเดียคนหนึ่งนะแกพูดเป็น่าฟังบอกว่าเมื่อหาน ม, มามองภายใน ฉันเห็นตัวฉันนั้นว่างเปล่านั่นแหละคือปัญญาเมื่อมองออกไปภายนอกฉันคือสรรพสิ่งนั่นแหละคือกรุณาและพอชีวิตของเขาเนี่ยก็คือการพยายามดําเนินไปบนเส้นทางนี้เนะมื่อมองภายในเมื่อมองมาทีา่เมื่อมองภายในเนี่ยฉันนั้นว่างเปล่า คือว่างปล่อยู่ตัวตนอันนี้คือผลแห่งปัญญาแต่เมื่อมองไปภายนอกเห็นฉันเป็นเดรัพประสงนั่นแหละคือกรุณา พระตาลปุตเถระพระตาลปุตเถระเนี่ยท่านเป็นพระรูปหนึ่งนะที่ปรากฏในในพระไตรปิฎกส่วนที่ว่าด้วยเถระคถ า, าพระตาพระตุตลตลปุตเถระเนี่ยนะได้มีการบันทึกไว้ว่าตอนที่ท่านพยายามบำเพ็ญปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านได้ท่านได้อุทานท่านได้คิดได้ลึกอย่างไรน่าสนใจมีตอนนึงท่านก็บอกว่า ทำอย่างไรหนอทำอย่างไรหนอสภาพภายในของเราคือได้แกเ่เบญจขันต์คือขันธ์ทั้ง5กับสภาพภายนอกคือก้อนหินดอกหญ้าและดาวันและดาวันคือดอกไม้จะมีสภาพเหมือนกันทำอย่างไรสภาพภายในและสภาพภายนอกจะเสมอกันจะเห็นธรรมชาติภายในกับธรรมชาติภายนอกเสมอกัน ถ้าเสมอกันเมื่อไหร่นั่นแหละคือการบรรลุธรรมนี่แหละคือคุณลักษณะของผู้ที่บรรลุธรรมคือเห็นถึงตะหนักว่าธรรมชาติภายในหรือสภาพภายในกับธรรมชาติภายนอกหรือสภาพภายนอกนั้นเสมอการพ้นจากการสําคัญมั่นหมายว่าเป็นสัตว์เป็น ตนเป็นบุคคลเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาคือเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนั่นเองไม่มีการแบ่งแยกเมื่อเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งกรุณาก็ไม่มีประมาณนะอย่างที่พระพุทธองค์บอกว่ากับพ ร, พระเทวทัตกับพระราหุลพระองค์นี้มีเมตตากรุณาเสมอเหมือนกันไม่ได้เห็นว่าพระไม่ได้รักพระราหุลมากกว่าพระเทวทัตเลยปล่าเสมอกันหมด ก็อย่าวาแต่มนุษย์เลยแม้กระทั่งกับสรรพสิ่์ก็เสมอกันนี่เป็นอนิสงส์นี่เป็นผลพวงแห่งปัญญาที่สามารถที่จะเห็นจนกระทั่งบรรลุสามารถข้ามพ้นขีดขัน้นพะวกเราหลายท่านที่ที่สนใจงานของท่านติณฑทานเนี่ยก็จะ ก็จะได้ยินหรือได้อ่านที่ท่านนัททันได้พูดนะท่านพูดว่าอย่างไรท่านพูดไปหลายอย่างแต่สิ่งที่ท่านเห็นคือว่าเห็นถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งท่านบอกว่าเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวเนี่ยเราสามารถเห็นทั้งโลกทั้งจั ก, กรวาลได้เพราะว่าการที่กระดาษแผ่นหนึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็เพราะมีต้นไม้ใช่ฮะ ต้นไม้มาได้เกิดได้เพราะอะไรก็เพราะมีแม่น้ำมีดินน้ำมาจากไหนน้ำมาจากเมฆน้ำมาจากฟ้าต้องมีต้องมีเมฆต้องมีฟ้าต้องมีพระอาทิตต้องมีทุกอย่างถึงจะมีกระดาษแผ่นหนึ่งได้กระดาษแผ่นหนึ่งเกิดขึ้นได้ เพราะโลกทั้งโลกเพาะจั ก, กรวาลทั้งจั ก, กรวาลมองเห็นกระดาษก็มองเห็นทั้งโลกนะมันเป็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในอรรดากันเรานะแต่ละคนเนี่ยนะที่มีเราอย่างนี้ได้มีร่างอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าแน่นอนก็มาจากดินน้ำลมไฟนะแต่ดินน้ำลมไฟก็มาจากไหนนะไม่ได้เกิดขึ้นมา ในเรือไม่ขึ้นมาแต่เกิดจากสรรพสิ่งในโลกไม่มีโลกก็ไม่มีเราแต่เมื่อมีเรานะก็มีโลกในความหมายที่ว่ารับรู้โลกว่ามีอยู่นะการที่การที่ พุทธศาสนาเน้นเรื่องถึงเรื่องของความเป็นอนัตตาว่าไม่มีตัวตนเนี่ยไม่มีตัวตนอย่างไรไม่มีตัวตนอย่างงที่ว่าอย่างเช่นเมื่อเราเอาปอดเอาตับไตไส้ภุงออกไปมันก็ไม่เหลือความเป็นเราร่างกายเราไม่มีรถก็เหมือนกันถ้าเราถอดเอาเอาเอาล้อเอาภวงมาลัยนะเอาส่วนประกอบทีละชิ้นฟันเฟืองออกไปทีละส่วน ความเป็นตัววัดก็ไม่มีไม่เหลือมีรถหรือมีเรามีร่างกายก็เพราะว่ามีสรรพสิ่งเข้ามาเป็นองค์ประกอบนะเมื่อมองด้วยปัญญาก็จะเห็นความไม่มีตัวไม่มีตนเพราะว่าไม่มีสิ่งที่เป็นตัวเราที่เที่ยงแท้ถาวรเลยเพราะอะไรก็เพราะว่า มันเกิดจากการประชุมกันของสรรพสิ่งเราอยู่ได้เพราะเรากินอาหารเรากินข้าวเรากินผักเรากินปลาเราหายใจเข้าไปทั้งทั้งข้าวทั้งผักทั้งปลาทั้งลมหายใจพวกนี้มันเกิดขึ้นได้เพราะมีโลกมีจักรวาลดันั้นที่ว่าไม่มีเราก็เพราะว่ามันมีเพราะมันมันเป็นการประชุม เพราะมันเกิดจากการประชุมของสรรพสิ่งชั่วครู่ชั่วขณะเหมือนกับกระแสน้ำนะเมื่อเราเห็นความจริงตรงนี้เนี่ยนะเราก็จดจักา์ว่านะเรากับโลกนี้ไม่ได้ไม่ได้แยกขาดจากกันโลกในที่นี้นะมีความหมายกว้างดังนั้นะที่พระพุทธองค์เนี่ยทรงมีมหากรุณาใยิ่งใหญ่นะเะเพราะพระองได้ได้ประจักษ์ให้เห็นได้ประจักษ์ว่า สิ่งทั้งหลาย น, นมันเชื่อมโยงสัมพันธ์กั น, นเชื่อมโยงสัมพันธ์กันทั้งในมิติของสถานที่แล้วก็เวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกลับเมื่อจะคำนึงถึงผู้อื่นเมื่อจะคำนึงถึงประโยชน์ ก็อยากคำหนึ่งแต่ประโยชน์ของเราให้คำหนึง่งถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยนะมันเป็นสองด้านของเหลืองเดียวกันนะเมื่อเรามองตนเรามองตนจนเห็นมายาภาคของตัวตนและเราปล่อยวางได้สิ่งที่ขวางการระหว่างเรากับสปปรรพสิ่งมันก็หายไป ความทุกข์ของคนอื่นถึงแม้ไม่ใช่พี่น้องของเราไม่ใช่ญาติของเรานะเราก็พร้อมที่จะเห็นใจแล้วก็ปรารถนาที่จะช่วยเขาความทุกข์ของคนพมา่าของชาวโรฮิงญาก็ไม่ได้ต่างจากความทุกขนะ์ของคนไทยของคนกรุงเทพนะ ของคนที่อยู่บ้านเราแต่ถ้าใดาถ้าเรายังมีความยึดติดถือมัน่นไม่ใช่เฉพาะในตัวตนเราก็จะยึดติดถือมั่นในในความเป็นชาติในความเป็นศาสนาในความเป็นประเทศแล้วเราก็จะรู้สึกว่าคนพ่อม่เนี่ยไม่สําคัญความทุกข์ของเขาไม่สําคัญเท่ากับความทุกข์ของคนของเราของพี่น้องของเราเมื่อเป็นเช่นนั้นก็แสดงว่า ไอ้ตัวตนไอ้ความยึดติดถือมั่นในตัวเรานี่มันยังมีอยู่ที่ทำให้เราเนี่ยไม่สามารถเที่ยงเก้าข้ามพ้นสมมติไม่ใ่สมมติของความเป็นไทยเป็นพม่าอย่างเดียวแต่สมมติของความเป็นเราแล้วก็ไม่ใช่ของเราความเป็นของเราและความเป็นความเป็นอื่นคนไทยคือพวกเราคนพม่าคือพวกอื่นเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยคือ สิ่งที่จะพิสูตนในความเป็นชาวพุทธในความเป็นนักปฏิบัติของเราว่าเรามีปัญญาจนกระทั่งเห็นถึงมายาของสมมุติเหล่านี้เห็นถึงความยึดติดด้วยความหลงอย่างนี้จนกระทั่งสามารถที่จะข้ามพ้นไอ้สมมุติหรือความยึดติดเหล่านี้ได้หรือเปล่า แล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยในสุดแล้วนี่มันก็กลับมาเนียมันสู่การที่ทำให้เราเนี่ยมีอิสระโปร่งเบาโนะปร่งเบาเพราะมันไม่มีตัวตนที่จะไปยึดถือไม่มีตัวตนที่จะไปแบกนะ เวลาเครียดเวลาโกรธนะเราก็เห็นเลยว่าไอ้ที่เครียดที่โกรธนั้นไม่ใช่เรานะแต่ถ้าเราไม่ไม่หันมามองตนเนี่ยเราก็จะไม่สามารถจะเห็นตรงนี้ได้เราก็จะคิดว่าฉันเครียดฉันโกรธฉันโมโหแต่ถ้าเรามองตนคือมีสตินะเพราะเราไม่ลืมกายไม่ลืมใจเราก็จะเห็นนะว่า มันมีความโกรธความเครียดอยู่ในใจไม่ใช่เราไม่ใช่เราโกรธไม่ใช่เราเครียดนะแต่มีความเครียดความโกรธในใจเห็นถึงขั้นว่าที่จริงมันไม่ใช่เราทุกนะแต่มันเป็นใจที่ยึดต่างหากที่มันทุกและเมือเหนตรงนี้เนี่ยมันก็การที่จะปล่อยการที่จะวางเนี่ย ก็เกิดขึ้นได้ง่ายแต่ถ้าเราเราไม่มองตนนะฮะเราไม่หันมามองตนเนี่ยหรือว่าเราลืมตนนะมันก็อดไม่ได้ที่จะมีการปรุงขึ้นมาปรุงอะไรปรุงอัตตาขึ้นมาเป็นผู้โกรธผู้ทุกข์สังเกตนะฮะ ลืมตนเมื่อไหร่ก็มีตนเมื่อนั้นลืมตัวเมื่อไหร่ก็มีตนเมื่อนั้ น, นเมื่อตากระทบรูหูได้ยินเสียงเอาตั้งแต่ตรงนี้เลยเมื่อเกิดผัสสะตากระทบรูหูได้ยินเสียงถ้าผัสสะนั้นเนี่ยไม่มีสติเข้าไปเข้าไปรู้เข้าไปรู้ทันมันก็ปรุงเป็นเวทนาสุขทุกข์ปรุงเป็นตัณหาถ้าสุขก็อยากได้เข้ามาถ้าเป็นทุกข์ก็อยากผลักออกไป จากตัณหาก็เป็นอุปทานความยึดติดแล้วก็ปรุงมาเป็นเป็นภพเป็นชาติคือตัวตนพูดอย่างสุดก็คือว่าถ้าไม่มีสติเข้าไปรับรู้เข้าไปมีสติไปรับรู้ในผัสสะหรือแม้กระทั่งในเวทนาเนี่ยมันก็จะปรุงมีตัวตนขึ้นมาตัวตนไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันเกิดจากความที่ลืมตัวไม่มีสติไม่มีสติคือลืมตัวเมื่อลืมตัวจึงมีตน เมื่อมีตนมันก็เต็มทุกได้เลยเพราะตนเนี่ยไอคือตัวตนเนี่ยมันก็พร้อมที่จะไปซกไปอยากจะได้สิ่งต่างๆมาเป็นของเรามาเป็นของตนมาเป็นของกูแต่ได้เท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจได้เงินได้ชื่อเสียงได้ได้อำนาจก็ไม่ต้องก็ไม่เคยมีความพอใจ นี่ขนาดได้นะยังไม่ยังไม่พอใจยังไม่มีความสุขเลยนะไม่ต้องถึงการเสียเสียยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่ขนาดได้นี่ก็ยังไม่มีความไม่มีความสุขสุขชั่วคราวเราก็นะต้องแข่งแย่งแข่งดีกับผู้อื่นนะเมื่อรุมตัวก็เลยมีตนเมื่อมีตนก็ทุกมันก็ตามมานะแล้วก็จะเกิดสิ่งเหตุการณ์ที่เรียกว่า ประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พัดภาคจากสิ่งเป็นที่รักก็เป็นทุกข์ปัถนาสิ่งใดงไม่ได้สินั้นก็เป็นทุกข์นี่เราสวดมนต์อยู่ทุกเช้าเนี่ยทั้งหมดนี้นี่มันเกิดจากการที่มันมีตนหรือผู้ย่างคือไปยึดถือในตัวน ต, วตวนและที่มันมีตนเลยยึดถือในตัวตนเพราะอะไรก็เพราะมันลืมตัวแล้วลืมตัวจึงมีตนแล้วเมื่อมีตนแล้วเนี่ยมันก็มองคนอื่นเป็นศัตรูมองคนอื่นเป็นปัปักมองคนอื่นเป็นเหยื่อที่จะเอาเปรียบน เพราะฉะนั้นก็จะไม่ต่างจากคนตาบอดในตอนที่พูดมาก็คือว่าจะนึกถึงแต่ตัวเองแต่ถ้าเป็นถ้าเกิดมีปัญหาก็จะโทษคนอื่นนะแต่ถ้าเราไม่ลืมตัวล่ะการที่เราหันมามองตนอยู่เสมอเนี่ยทำให้เราไม่ลืมตัวนะก็คือมีสตินะ สตินี่มันมีหลายความมันสติแปลว่าความจำได้ความระลึกได้ส่วนใหญ่เราระลึกได้ในเรื่องนอกตัวจาได้ว่าเดี๋ยวเสร็จจังนี้เร า, เราจะไปไหนจาได้ว่า เ, เราจะไปบ้านเพื่อนตอนกี่โมงคุยอยู่กับเพื่อนแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่าเดี๋ยวต้องมีนัดไปน่ดไปนี่ จะขับรถก็จำได้ว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนอันนี้ก็สตินะฮะแต่มันไม่ใช่สติที่เป็นการจำได้ในเรื่องตัวเองคือเรื่องกายเรื่องใจมีสติอย่างที่ว่ามาเนี่ยสติอย่างคือการจำได้ในเรื่องนอกตัวเนี่ยก็ยังลืมตัวได้นะแต่ถ้าเรามีสติเรื่องคือเราลึกรู้ในกายและใจเนี่ยมันไม่ลืมตัวฮนะ เมื่อไม่ลืมตัวไอ้จะปรุงเป็นตัวเป็นตนเนี่ยมันก็ไม่มีการปรุงเป็นการปรุงเป็นตัวตนเกิดขึ้นได้เมื่อเพราะไม่มีสติเพราะลืมตัวเพราะลืมตัวจึงมีตนและยิ่งยึดติดในตัวตนเท่าไหร่ก็ยิ่งลืมตัวยึดติดในตัวตนยึดติดในหน้าตาชื่อเสียงหรือว่ายึดติดในข้าวของห่วงแหนรถมีคนมาตำหนิรถก็โกรธ หนะลงในรูปร่างหน้าตาตัวยังมีคนมาชมม า, มาตำหนิว่าผิวแห้งนะหรือว่าผิวคล้านะก็โกรธนะยึดติดในศักดิ์ศรีหน้าตามีคนมองหน้าหรือว่าเหยียบเงาก็โกรธนะลืมตัวว่าเขาด่าเขานะหรือทำลายเขานะมันเป็นวตาตจังนี่เลยนะฮะ พรลืมตัวจึงมีตนและเมื่อมีตนก็ไปยึดติดในตัวตนนั้นก็เลยทําให้ยิ่งลืมตัวเข้าไปใหญ่ผลสุดท้ทายคือวงจมอยู่ในวัฏจักรแห่งความทุกข์และไม่ได้ทำความทุกข์แค่ตัวเองเดียวทำความทุกข์แค่ผู้อื่นด้วยแต่ว่าเราสามารถที่จะหลุดจากวงจร น, นี้ได้นะเมื่อเราเริ่มที่จะไม่ลืมตัวแล้วกลับมามองตนกลับมามองตนมันก็ไม่มีตัว กลับมามองตัวก็ไม่มีตนนะฮจริงมันไม่มีมันไม่มีตนตั้งแต่แรกนะแต่ไปปรุงก็มันมีเงี้เหมือนเพีมันไม่มีจริงแต่ว่าเราไปปรุงก็มันมีเวลาเราอยู่คนเดียวล้วก็คิดเป็นตัวเป็นตาว่ามีจริงมันไม่มีโดยมันไม่มีโดยโดยสภาวะวิสัยแต่มันมีโดยอัตวิสัยมันมีโดยความคิดตัวตนก็เช่นเดียวกัน แลวที่มันมีก็เพราะว่าเราเราลืมตัวเราไม่มีสติแต่ถ้าเกิดว่าเราเราเราหันมารู้ตัวตื่นรู้ในตื่นรู้ในการและใจเมื่อไหร่เนี่ยไอการปรุงว่าเป็นตัวตนหรือมีตนก็หายไปนะโดเกนนี่เป็นเป็นเป็นอาจารย์เซนท่านหนึ่งฮนะ ที่มีชื่อเสียงมากในญี่ปุ่นนะเขาเคยบอกว่าการศึกษาพุทธมรรคก็คือการศึกษาตนเองศึกษาตนเองก็คือการละตนเองการละตนเองก็คือการเป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนะ เ, เมื่อละตนก็เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งนะก็ตรงกับชาวอินเดียที่พูดเมื่อกี้นี้นะ เมื in so no it, it be job, ่อฉันมองมาที่ตนเองฉันไม่เห็นฉันเความว่างเปล่านั่นคือกรุลนั่นคือปัญญาเมื่อฉันมองออกไปข้างนอกฉันคือสรรพสิ่งนั่นคือกรุณาเมื่อละตนเมื่อศึกษาตนก็ละตนเมื่อลกตนก็เป็นหนึ่งเดียวกับสรรพสิ่งฉันใช้คำว่าทำทั้งปวงเป็นหนึ่งเดียวกับทำทั้งปวง นั้นเมื่อเราเมื่อเรามองมาที่ภายในเนี่ยนในสุดเนี่ยมันก็จะโปร่งโล่งและการที่จะการที่จะการที่จะเป็ น, นอุเบกขา ป, ปสิ่งนะด้วยกรุณาก็จะมีนะสิ่งที่มันมีความหมายสองประการที่ถึงพวกก็คือทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่โปร่งเบามากขึ้นไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีตัวตนที่เป็นเจ้าของความทุกข์นะ ด้านในในการก็ทําให้เราเนี่ยนะเข้าไปเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ก, กรุณาผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างอย่างไม่เห็นแก่ตัวนะอันนี้คือคุณสมบัติของชาวพุทธนะในแง่หนึ่งมีชีวิตที่โปร่งเบาเพราะปล่อยวางจากความยึดติดถึอมั่นในสิ่งตั้งวงในโลกกระทในทรัพย์โปร่งเบาแต่ว่านะเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ก, กรุณากับผู้อื่นแต่ถ้าเกิดว่าเราสนใจแต่ตัวเราเองนะไม่สามารถที่จะแปรออกไปเป็น การกระทําที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นได้หรือความให้สงเห็นใจวะเนี่ยนั่นแสดงว่าเราอาจจะยังติด ก, กับตักของตัวตนอยู่แล้วเราจะไม่มีวันพ้นจากวงจรหรือกับดักแห่งความทุกข์ได้นั้นการการมองมาที่ภายนอกและการเปิดใจออสู่ภายการมองมาที่ภายในและการเปิดใจออสู่ภายนอกเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งมานศสนาออกจากวิถีชีวิต ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่างพุทธ จ, จรรยาจาตมาคิดว่าก็อยากจะฝากตรงนี้เอาไว้นะใ ห, ให้พิจารณาว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยเรามีเราสามารถที่จะเข้าถึงสภาวะสองสภาวะนี้ได้หรือไม่ปัญญาและกรุณาเรามองมาที่ตนนะในยามที่เกิดปัญหาจนเห็นว่าเป็นเพราะความยึด ในใจของเราตัางหากความยิดภายในของเราณที่เป็นละง่ายของความทุกข์และเราสามารถที่จะทำให้ตัวตนเบาบางหรือว่าปล่อยวางจากความยึดติดในตัวตนเป็นลดับจนกระทั่งสามารถที่จ ะ, ะเปิดใจให้เกิดกรุณานะกับผู้อื่นได้โดยไม่มีขีดจำกัดโดยไม่มีการไปยึดติดกับสมมุติใดๆนะ ก, ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะแต่ถ้า ถ้ายังมีเวลาเหลืออยู่ถ้าท่านใดมีคำถามก็ก็ขอเชิญได้กรับขอท่านอาจารย์ครับท่านใดที่มีคำถามจ ถ, ถามกับพระอาจารย์โดยตรงก็จะมายกมือขอหม่ได้นะครับขอคำถามถสามคำถาม ในสังคมปัจจุบันนี้ที่มีแต่ความหวาดระแวงกัน อ, อุเบกขานี่ก็จำเป็นต้องมีเพราะว่าอุเบกขานี่ก็อุเบกขานี้ เป็นธรรมะที่ช่วยกำกับให้เมตตากรุณาของเราเนี่ยไม่เป็นเมตตากรุณาที่เกินเลยเกินเลยจากขอบเขตแห่งความถูกต้องนะเช่นแม่นี่รักลูกนะลูกเป็นขโมยใช่ไหมฮะถูกครูจับได้ความเมตตาความรักลูกไม่ให้ลูกถูกลงโทษ ลูกก็อาจจะแม่ก็อาจจะบอกครูว่าลูกไม่ใช่ขโมยตอนที่เกิดเหตุลูกอยู่กับแม่นะอันนี้ก็เรียกว่าเมตตาใช่ไหมช่วยลูกไม่อยากให้ลูกเดือดร้อนแต่ว่าการทำอย่างนั้นเนี่ยมันมันไม่ถูกต้องมันเกินเลยจากขอบเขตหองความถูกต้องใช่ไหมอุเบกขาจำเป็นในกรณีนี้ก็คือว่าแม่ก็ต้องวางเฉยนะ ให้ลูกเนี่ยเขาทำผิดลูกก็ควรจะได้รับโทษเป็นต้นนะไม่ควรจะแก้แทนลูกนะหรือว่าไปไปเพื่อนเขาเดือดร้อนเราก็เขาต้องการเงินเราก็ไปไปไปลักขโมยมาให้เพื่อนอันนี้เนี่ยเรียกว่าเมตตากรุณาเกินขอบเขตแห่งความถูกต้องอุเบกขาเนี่เป็นตัวกำกับ นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะเป็นตัวกำกับให้ใหเมตตากรุณาเนี่ยมันมันเกินเลยขอบเขตแห่งความถูกต้องความถูกต้องในนี้มีความหมายหลายอย่างนะซึ่งรวมไปถึงว่าเมื่อเราช่วยเขาเต็มที่แล้วนะเราทาจนสุดความสามารถแล้วเราก็พร้อมจะปล่อยวางทำไมเราปล่อยวางก็เพราะว่าเราได้ทำเหตุปจัจจัยครบถ้วนแล้ว นะเมื่ อ, อเหตปัจจัยครบถ้วนแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องก็ต้องให้เป็นปไปตามเหตุปัจจัยแต่เราต้องถามก่อนว่าก่อนที่เราจะเบิกขาเนี่ยเราเราแน่ใจหรือยังว่าเราทําเหตุปัจจัยครบท้วนแล้วนะถ้าเราคิดว่าเรายังทําอะไรได้อีกนะเราก็ทําแต่เมื่อทอําถึงที่สุดแล้วอ่ะอย่างเช่นว่าเรามี หรือมีแม่ที่ป่วยป่วยหนักนะเราก็ช่วยท่านเต็มที่นะช่วยท่านเต็มที่ไปหาหมอก็พาไปนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าอาการของท่านเนี่ยซุดลงไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งเราต้องรู้จักที่จะหยุดเพราะถ้าไมาเราไม่หยุดใช่ไหมฮะเราก็จะบอกว่าไม่หายใจเหรอหัวใจหยุดเต้นนะเหรออ้ปาปั๊ม ไม่หายใจเอาสัยท่อคือบางทีเราก็จะใช้วิธีการที่แทรกแสงนะตรงนี้เนี่ยหมอหลายคนก็ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าตรงไหนนะแต่ว่าความพยายามของเราในที่เราจะช่วยเขาเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักจุดที่เป็นลิมิตเราจะทำร้ายทำร้ายคนรักของเราด้วยการระดมใช้เทคโนโลยีนานาชนิด เพื่อให้มีลมหายใจที่ยาวขึ้นแต่เขาทุกข์ทรมานใช่ั้ยฮะเราต้องเรียนรู้ที่จะที่จะหยุดว่าจะแทรกแซงด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์แค่ไหนนะเพราะถ้าทำเกินไปอย่างนั้นนั่นคือการทำให้ความทุกข์ของท่านยืดเยื้อเราทำด้วยความรักนะแต่เพราะเราไม่มีอุเบกขาไงอุเบกขานี่เกิดจากปัญญา นะปัญญาทำให้เรารู้ว่าแค่ไหนควรพอแต่พอตรงนี้เนี่ยไม่ได้ว่าหยุดทำอย่างอื่นนะเช่นว่าการเข้าไปแทรกแซงใช้วิธีการทางการแพทย์ที่รุนแรงเราคิดว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วเพราะว่าอาการท่านยังไงท่านไปแนะ่แต่เราจะหันไปใช้วิธีอื่นเช่นเยียวยาจิตใจดูแลช่วยเหลือทางจิตใจพูดคุยสั่งเสียน้อมิจให้ท่านไปในทางที่ดีเนี่ยนะ อุเบขาเนี่ยมันจาเป็นสำหรับการกำกับให้เมตตากรุณาเนี่ยอยู่ในความพอเหมาะพอดีคือไม่ไม่เกินความถูกต้องหรือว่าไม่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานมากขึ้นเมื่อถึงเวลาที่ควรจะต้องไปก็ต้องก็ต้องยอมให้ก็ต้องยอมยอมรับความจริงที่จะต้องให้เขาไปถ้าเราไปฝืนความจริงด้วยการไปแทรกแซงทางการแพทย์ อันนี้ก็เรียกว่ามันละเมิดความถูกต้องหรือไม่ยอมรับความถูกต้องก็ทำให้ทุกข์คราวนี้ในเรื่องของไอาการที่จะมีอุเบกขาแค่ไหนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับปัญญาตรงนี้ไงที่เมตตากรุณากับปัญญาจะเข้ามาเสริมกันนะฮะ ้างขวามือครับรับนำ้ำกกรสท่านอาจารย์ค่ะสำหรับคุณแม่ซึ่งอายุ84เนี่ยนะคะแล้วท่านเป็นอัลไซเมอร์คือจำไม่ค่อยได้ถ้าสวดมนต์ก็ดีนั่งสมาธิก็ดีหรือพามาฟังเทศเนี่ยกลับไปบ้านก็ลืมแล้วว่ามาที่นี่แล้วก็ได้เห็นพระนี่ค่ะจะมีวิธีช่วยนำท่านยังไงคะในวาระที่ลาสังคารค่ะก็ ในระหว่างนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะให้ท่านได้รับรู้สิ่งดีๆนะในในในในยามที่ตื่นเนี่ยอาจจะดูเหมือนว่าจำอะไรไม่ได้จำจาได้ปื๊ดเดียวแล้วก็วางจำได้ปื๊ดเดียวแล้วก็ลืมแต่ว่าเราไม่รู้หรอกเวลาท่านหลับเวลาท่านฝันเนี่ยมันเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เนี่ยสิ่งที่เราทําดีกับท่านเนี่ย พูดดีกับท่านปฏิบัติดีกับท่านหรือว่าพาท่านไปในสิ่งแวดล้อาดีๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีผลเฉพาะตอนที่ท่านตื่นแต่ว่าตอนที่ท่านอาจจะไม่ค่อยรู้ตัวนะไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันสามารถที่จะเป็นกุศลต่อท่านได้เหมือนกับคนที่โคม่าคนที่โคม่าเนี่ยก็ยิ่งหนักวคนที่หลับอีกแต่คนที่โคม่าเนี่ยหลายรายเขาก็บอกว่าเขาเขาได้รับรู้อะไรบ้างใน ในระหว่างที่คนอื่นพูดคุยกันนะจิตใจเนี่ยจะไปดีไปกุศลหรือน้องไปในทางที่เป็น อ, อ ก, กุศลเนี่ยมันขึ้นอยู่กับหนึ่งสิ่งแวดล้อมสองอยู่ที่การฝึกนะเราก็ช่วยในทการฝึกของท่านเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสแล้วแต่ว่าสิ่งแวดล้อมซึ่งเราเป็นส่วนหนึ่งเราก็สามารถช่วยท่านได้ ขออนุญาตถามต่อเกี่ยวกับกรณีความตายที่ได้สัมผัสมาแล้วก็ได้เคยนํำบุคคลผู้หนึ่งนะคะเป็นเด็กวัยรุ่นก็ไม่ไวัยรุ่นยี่สิบเอ็ดนะคะพอเขาจะตายในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุเนี่ยนะคะแล้วก็มีอาการสมองบวมคือไม่รับรู้แล้วเนี่ยค่ะโยมก็เปิดเทปทำวัดให้ฟังแล้วก็ก็นําแล้วก็มีพร ะ, ม, พร ะ, ม, พระมานิมนต์พระมา ส, สวดแล้วคือสมองซึ่งไม่รับรู้ี่แต่ถ้าเวล า, าสุดท้ายผู้ตายเนี่ยซึ่งไม่ขยับขยื่อนเนี่ยหันมาแล้วก็ บีมือรับตอบรับเนี่ยแล้วก็นำเข้าว่าถ้าทนความเวทนาไม่ไหวก็ให้ละสังขารแล้วก็ให้วาดภาพตัวเองได้บวชในผ้าเหลืองซาไปบวชในพบชาติหน้าอย่างนี้ถือว่าได้ช่วยเขาไหมค ะ, ะก็ดีคือคนที่มีตาและที่งมีลมหายใจอยู่เนี่ยไม่ว่าจะอยู่ในสภ า, ภาพที่เป็นผักหรือว่าโคมา่า ซึ่งในสายตาของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเขาไม่รู้ตัวแต่นั่นเป็นเป็นมุมมองของเราเพาเพียงแต่ไม่ตอบสนองหรือเพียงแต่เขาเพียงแต่ไม่สามารถที่จะแสดงออกได้แต่ว่าโอกาสที่เขาจะยังรับรู้ได้เนี่ยมีมากนะมันก็มีการพิสูจน์หลายอย่างที่ที่เห็นว่า คนที่โคม่า ก, ก็ดีเป็นผักก็ดีเนี่ยเขารับรู้ได้คนที่เป็นผักบางคนเนี่ยนะคือสมองเนี่ยสมองเซลลูไลตในสมองแตกแล้วก็สมองบางส่วนไม่ทํางานใช่ไหมหายใจเองได้ทำอะไรเองได้หายใจเองได้แต่ว่าไม่สามารถที่จะตอบสนองอะไรได้แล้วเขาแต่และเขาถูกช่วยให้ฟื้นขึ้นมาเขาบอกตอนที่หมอเนี่ยบีบหัวแม่ท่าเขาเนี่ยเพื่อเพื่อเช็คว่าเขาเนี่ยเป็นผักหรือเปล่าเนี่ยเขาบอกเขาปวดมากเลยนะเขาปวดมาก แต่ว่าเขาเขาไม่สามารถจะร้องออกมาไดนะ้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชีอเห็นว่าคนที่เป็นผ่านเอารับรูได้หรือแม้กระทั่งคนที่หมอบอกว่าสมองตายอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าพิจารณา ท, ที่เท็กซัสเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยมันมีเด็กคนหนึ่งเกิดประสบอุบัติเห็นแล้วก็หมอบอกว่าสมองตายก็รออยู่สักพักนะสมองตายนี่คุก็ยังหายใจเองได้นะการสมองยังไม่ยังไม่เสียไป รอไปสามสี่เดือนไม่ฟืน้นก็คิดว่าคงต้องตายแล้วละ่นะก็เลยพูดกับแม่ว่าเนี่ยถ้าเขาจะตายเนี่ยก็เอาเอาวัยวะเขาเนี่ยไปเปลี่ยนให้คนอื่นได้ไหมพ่อแม่ก็ยอมเขาก็หมอก็เอาหลักฐานไปดูเนี่ยจากการเอ็กซเรย์สมองของลูกเนี่ยตายแล้วใช่ไมะ เพราะนั่นแต่ว่าหัวใจยังทางานอาวอยวะต่างยังทางานก็ก็สามารถเปลี่ยนสายอาวัยวะไดนะ้หมอทำการเช็คครั้งสุดท้ายเอามีเด็กกรีดขูดไปที่เท้าของของลูกบอกว่าคราวนี้ข ย, ยับนะและ24ชั่วโมงต่อมาก็ฟื้นแล้วเขาบอกว่า ตอนลงเขาหายไปปกตินะเขาบอกว่าตอนที่หมอพูดกับพ่อแม่ว่าเขาสมองตายแล้วก็จะถ่ายอวัยวะเนี่ยเขาได้ยินนะเพราะฉะนั้นอาตมาก็ไม่ได้รับกันว่ากรณีแบบนี้เกิดขึ้นทุกกรณีนะแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะนั้นเราก็ให้เราปฏิบัติกับเขาเหมือนคนปกติ ถ้าเขาล่างกายเขาไม่ไหวก็เป็นเรื่องของสังขารเขาแต่ว่าเราก็พูดกับเขาอย่างที่เขาสามารถจะรับรู้ได้คุณค่ะกราบอนุญาตยันถามอาจารย์นะครับอีกหนึ่งคำถามเป็นคาถามสุดท้ายคุณแม่ทุกใจมากเพราะคุณยายและคุณลุงชอบดื่มสุราปัจจุบันก็แม่เป็นผู้หาเลี้ยงครอบครัวคุณแม่พักอาศัยอยู่กรุงเทพมหานคร ส่นคุณยายและคุณลุงอาศัยอยู่ต่างจังหวัดจะขอคำแนะนำกับอาจารย์ว่าควรจะให้คุณลุงและคุณยายเลิกเล่าหรือไม่ก็หันมาให้กับครอบครัวบา้างนี้ครับเพราะว่าคุณลุงของคุณยายดื่มสุราครับคือเรื่องนี้เนี่ยคงต้องอาศัยการช่วยกันหลายทางโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อม เช่นครอบครัวชุมชนนะอาตมาก็พบหลายคนที่เขาเนี่ยแม้แต่มีความตั้งใจจะหยุดเล่าจะเลิกเล่าบางคนถึงกับบวชความบวชก็เลิกไล่แต่พอสึกออกมาก็ค่อยๆเข้าหาเล่าถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยคือคนที่เขายัง ยังปฏิบัติได้ไม่ไมดีเนี่ยเขาก็จะโ อ, อนอ่ อ, อ น, ออ น, ออนตามสิ่งแวดล้อมได้โดยพ่อเห็นคนหนึ่งเขากินเหล้าก็กินเหล้าบ้างอาตมาคิดว่าสิ่งที่ต้องช่วยเขาคือการช่วยให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการที่เขาจะเลิกเหล้าให้ได้แล้วนะสิ่งนี้เนี่ยก็ถ้าจะอาตมาเชื่อผู้รู้ทางด้านนี้เนี่ยที่รู้ทางด้านเกี่ยวกับวิธีการเลิกเหล้าเนี่ยมีนะั้นเราคิดว่าน่าจะลองหาก็ดูช่วย กินทั้งยาด้วยการมีพฤติกรรมการช่วย ส, งส่งเสริมพฤติกรรมสิ่งแวรล้อมที่เกือ้อเฟือเกือเก้ อ, ก, อกูลด้วยนะครคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวยังพอมีเวลาอยู่มันมีมันมีจุดหนึ่งที่อาจารย์มายังไม่ค่อยได้พูดเท่าไหร่นะในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องที่พูดมาตอนแรกนะคืออย่างที่อาจาบอกไว้ซึ่งมันค่อเน้นมากคือว่าการที่เมื่อเรา หามามองตนแล้วก็ไอ้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนเราเบาบางก็จะทําให้เราเนี่ยเอื้อเฟอ้อเกอื้อกูลต่อผู้อื่นได้มากขึ้นนั่นก็เป็นอันหนึง่งแต่ในอีกอันนึงนะฮะการที่เราเนี่ยช่วยเหลือเอื้อเฟอ้อเกอื้อกูลผู้อื่นมากขึ้นเนี่ยมันก็มีส่วนในการที่จะลดละความยึดติดถือมั่นในตัวตนได้เหมือนกันนะมันเป็นมันเป็นสองทางอันที่หนึ่งเรามองตนก็ทําให้เราเนี่ยอ่า สามารถที่จะระวางความยึดถือมั่นแล้วก็มีเมตตากับผู้อื่นแต่ในอีกด้านหนึ่งการที่วิธีการที่จะช่วยลดตัว ต, วตวนอีกอย่างนึงได้คือการที่เรานึกถึงผู้อื่นนึกถึงความทุกข์ของผู้อื่นการที่เราช่วยเหลือเขาการที่เราช่วยเหลือเขาเนี่ยในด้านหนึ่งเนี่ยมันก็ทําให้ให้ความยึดติดถือมั่นในตัวตนของเราลดลงได้เหมือนกันนะแต่แน่นอนมันก็คงจะไม่สามารถจัดทาได้ในระดับเดียวกับวิปัสสนากรรมฐานที่ทําให้เราเห็นความจริงจนกระทั่ง ไกลว่าจากความยึดติถึงมากได้แท้จริงแต่มันช่วยได้นะเพราะว่าการที่เราทัดใจเรานึกถึงคนอื่นมากเท่าไหร่เนี่ยไอ้ความที่เราจะนึกถึงความทุกข์ของเราเองมันก็จะน้อยลงและมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะรับมือความทุกข์ได้มากขึ้นอาตอมาชอบยกตัวอย่างน้องโยนะฮะน้องโยเนี่ยเป็นเป็นเด็กอายุเจ็ดขวบ วันหนึ่งเนี่ยป้าก็ชวนแกซ้อนมอเตอร์ไซค์เข้าไปในเมืองนองคปรปฐมแล้วก็ประสบอุบัติเหตุรถเข้าเจว่ารถมีรถมาชนป้านี่แขนหักนะส่วนน้องโยเนี่ยขาเละไปข้างหนึ่งป้านี่ร้องโอดร้องโอยแต่ว่าน้องโยเนี่ยไม่ร้องเลยอันนี้หมอเ้าไลาฟังตลอดเส้นทางที่พาน้องโยจาก จุดเกิดเหตุนเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดเนี่ยป้าร้องแต่น้องโยไม่ไม่ร้องผ่าตัดเสร็จหมอก็เลยถามว่าทําไมน้องโยไม่ร้องน้องโยพูดสั้นๆ น, นะบอกว่าผมกลัวป้าเสียใจครับน้องโยเนี่ยเห็นป้าร้องโอดโอยน้องโยก็ไม่อยากจะเพิ่มความทุกข์ของป้าน้องโยก็เลยสะกดกั้นความและพอนึกถึงคนอื่นนะความทุกข์ของเรามันกลายเป็นเรื่องเล็ก มันจะเบาลงนะฮะมันจะเบาลงผู้อยางนี่คือว่าไอ้ความยึดติดในไอ้ความยึดติดถือมั่นในทุกขเวทนาเนี่ยมันก็จะมันก็จะบางลงนะแต่ถ้าเราคิดถึงแต่ตัวเราเองเมื่อไหร่นะเราจะทุกข์มากแม้แต่เรื่องเล็กเรื่องน้อยนะ เป็นสิวผิวแห้งผมแตกปลายก็ทุกข์นอนไม่หลับนะครับแต่น้องโยนี่ขาเลขก็ยังไม่ร้องเลยพราแกคิดถึงป้าแต่คนที่คิดถึงตัวเองเนี่ยจะทุกข์มีผู้หญิงคนหนึ่งนะแกเป็นชาวญี่ปุ่นนะฮะแกก็มีชื่อเสียงมากพอาะแกตอนหลังแกเขียนหนังสือที่มีชื่อเรื่องเกี่ยวกับเกอิชาเกิดในครอบครัวที่ยากจนชีวิตลำตโตแล้วก็ลำบากมากตอนเด็กนี่พ่อแม่นี่ต้องขายนะ ไปให้ให้นางคณิกาหรือแกอิชาแล้วกแกช่วยแกก็ถูกแกก็ลำเค็นนะไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาถูกดูถูกนะรู้สึกพ่อแม่ไม่รักว่าวเวขาดความรักจากพ่อจากแม่มีคนรักคนรักก็ทิ้งนะรู้สึกว่าอ่าตายไปนะแกช่วยชมันลำเค็นมันทุกข์มากนะทนไม่ไหวแล้ววันนึงแกก็ตัดสินใจฆ่าตัวตายสิ่งที่แกทําคือว่าเดินออกไปในใน จากเมืองที่เข้าไปในป่าตอนนั้นฝเป็นช่วงหน้าหนาวหิมะตกแกว่าจะไปตายในป่าให้มันให้หิมะนี่มันถมตัวจนตายแต่อเอร์เนี่ยมีชายแก่คนนึงนนมาเห็นก็เลยมาช่วยชีวิตไว้และสิ่งหนึ่งที่สะดุดใจคําพูดของชายแก่ที่สะดุดใจผู้หญิงคนนี้มากแกชื่ออิวาสกิแกบอกว่ามีแต่คนที่คิดถึงแต่ตัวเองเท่านั้นแหละที่อยากตาย เพราะถ้าคุณคิดถึงใน ต, ตัวเองเท่าไหร่คุณจะทุกข์นนในเรื่องที่คุณจะรู้สึกทุกข์ตลอดเวลาแกบอกว่ามีแต่คนที่คิดใน ต, ตัวนั้นที่อยากตายและสิ่งที่ชายชารา this บอกคือว่าอย่าให้คุณเนี่ยอย่าให้เธอเนี่ยกลับไปบ้านกลับเข้าไปในเมืองแล้วก็ช่วยใครสักคนช่วยแค่วันละคนก็พอและถ้าถึงตอนนั้นเธออยากตายฉันจะช่วยให้ อิวาสกิแกได้คิดนะแกทําตามแกกลับไปแกไปซื้อหนังสือให้เด็กยากจนและแกก็สอนสอนให้เด็กอ่านแกเล่านิทานให้เด็กเพราะแกรู้สึกว่าแกเนี่ยยากจนแกไม่มีความรู้ไม่มีการศึกษาชีวิตวัยเด็กแกลําเค็ญเพราะแกไม่มีความรู้ซื้อหนังสือให้เด็กยากจนสอนหนังสือให้อ่านนิทานให้ฟังเล่านิทานให้ฟังและนับแต่วันนั้นแกไม่เคยกลับไปที่ป่านั้นอีกเลย คนเราเนี่ยเมื่อเราได้ได้ช่วยได้ได้ช่วยใครสักคนที่หรือได้เห็นความทุกข์ของใครสักคนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าความทุกข์ของเราเนี่ยมันเล็กน้อยมันจิ๊บจ้อยน ะ, แ ล, ะแล้วทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยนะเราจะกลับมาเป็นปกติครั้งหนึ่งนะคานทีก็เคยบอกว่าเวลาเคยแนะลูกศิษย์ว่าเวลาใครทุกข์เนี่ยวิธีหนึ่งก็คือว่าให้นึกถึงคนที่ทุกข์กว่าเรา มีคราวหนึ่งที่ยวทบพระอนาระทับใจมากอันนี้เป็นบาดหลวงแกไล่ฟังนะเป็นเพื่อของตมาคราวหนึ่งบาดหลวงท่านนี้ได้ไปเยี่ยมลูกศิษย์ซึ่งอายุสิบเ็ป็นผู้หญิงแกเป็นโรคพุ่มพวงนะฮะแล้วก็อาการกําเริบผ่าก็ผ่าไม่ได้นะเพราะ ม, มันมีปัญหาเรื่องเลือดอ ว, วัยวะข้างในมันมันก็แกว่ามัอมพองหมดเลยบวมหมดเลยทันทีที่เห็นบาดหลวงท่านนี้เนี่ยลูกศิษย์นะผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่าทําไมพระเจ้าทํากับหนูอย่างนี้ ถ้าเป็นชาวพวกุกกะบว่าฉันไปทําอะไรมาทําไมถึงต้องเป็นฉันบารุงท่านนี้เขบอกว่าพ่อก็ไม่รู้นะว่าพ่อตอบไม่ได้หรอกแต่ส่วนหนึ่ที่พ่ออยากจะแนะนําคือว่าให้สวดมนต์พระเจ้าแล้วก็ให้ให้สวดมนต์แผ่เมตตาให้กับคนไข้ที่อยู่ในในวอร์ดในห้องเนี้ยแล้วบารุงขึ้นคุณพ่อนี้ท่านก็เอารูกประคมาให้หลังจากันก็ไปเยี่ยม ทุกวันทุกวันสีหน้าของคนไข้คนนี้ดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆเขาบอกได้ทําตามที่คุณพ่อแนะนำผ่านไปอาทิตย์หนึ่งคุณพ่อท่านนี้มีธุระที่อีสานก็ไปทําธุระเป็นเดือนกลับมาเยี่ยมลูกศิษย์เพราะว่าเสียชีวิตแล้วแต่คุณพ่อประหลาดใจมากที่คนไข้ ในวอร์ดนั้นเนี่ยพูดถึงเด็กคนนี้ด้วยความชื่นชมมากเพราะว่าเด็กคนนี้เนี่ยแกป่วยนะแต่แกมีน้ำใจมาช่วยคนน้นคนนี้มาพูดคุยให้กำลังใจนะพาไปห้องน้ำเด็กก็ดเด็กเนี่ยมีความทำให้พวกเขามีกำลังใจนะแล้วเขาก็เล่าว่าเด็กตอนที่ตายเนี่ย แกตายอย่างสงบมากคุณพ่อท่านเล่าว่าคุณพ่อท่านนี้เล่าให้ฟังว่าภาพจากภาพที่ได้ยินเนี่ยมันตรงข้ามกับวันแรกที่ได้เห็นเด็กคนนี้จะตายสงบตอนนั้นที่วันแรกนี่แกไม่ไหวเพราะอะไรฮะไม่ใช่เพราะแกนึกถึงพระจา้าเนี่แต่เพราะแกนึกถึงคนอื่นด้วยการที่ใจเนี่ยเราแผ่ไปนึกถึงผู้อื่นทำให้เรารู้สึกเลยว่าความทุกข์ของเรามันเป็นเรื่องเล็กน้อย พูดอย่างง่ายๆคืออัตราตัวตนมันเบาบางอัตราตัวต น, นเบาบางก็จะทุกน้อยอัตราใหญ่ก็ทุกมากนะเมื่อเราเมื่อเราเมื่อเราเมื่ออัตราตัวคนเราเนี่ยเมื่อเรานึกถึงคนอื่นเนี่ยใจเราก็จะใหญ่แต่อัตราจะเล็กนะเรานึกถึงผู้อื่นเราช่วยเหลือพือใจเราจะใหญ่แต่อัตราเราจะเล็กตัวตนเราจะเล็กมันก็จะมีที่ว่างให้กับความสุขที่จะหลั่งไหลเข้ามา แต่คนที่คิดงแต่ตัวเองเนี่ยใจจะเล็กอัตตาจะใหญ่มันจะแน่นจกนกระทั่งไม่มีที่ว่างให้กับความสุขฉนะนั้นไอ้สองส่วนนี้เป็นเรื่องเดียวกันนะฮะการที่เรามองตนเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีกรณุการณาเมตตาต่อผู้อื่นได้มากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวลดลงและขณะเดียวกันการที่เราช่วยเหลือก็ควรพูดมากขึ้นนึกถึงผู้อื่นปรัชนาที่จะพูดมากขึ้นก็ทําให้ตัวตนเราเล็กลง มันก็จะเกือก้อนกูนกันนะนะั้นธรรมคิดว่านะในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยอยากให้สองอย่างนี้ไปด้วยกันในด้านหนึ่งเราก็มองตนนะมีสตริรู้กายรู้ใจอย่างต่อเนื่องแต่ในในดางกานเราก็มีน้ําใจเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อผู้อื่นอาตมาพูดเช้นนี้ก็เพราะว่าเดี๋ยวนี้ได้ยินมากว่า ชาวาพุทธเราเจตนวนไม่น้อยเนี่ยชอบทำบุญแต่ไม่มีน้ำใจนะปรากฏการที่เราชอบทำบุญแต่ไร้น้ำใจเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากนะตัวอย่างที่ธรรมาได้มีคนมาไลฟยฟังเนี่ยก็คือเจ้าของโรงเรียนชอบทำบุญกทินพระป่าที่ไหนใครมาจากซองให้นะ แล้วก็มีความภูมิใจมากนะที่ช่วยสร้างหอละรังให้กับวัดได้แต่มีเด็กในโรงเรียนนะไม่มีเงินค่าเทอมแค่สองเทอมแกไล่ออกเลยเพื่อพออาตมาคุณไล่ฟังนะพากันไปทำบุญที่วัดวัดหนึ่งซึ่งในภาคอีสานซึ่งมีคนนับถือเจ้าวาดมากนะถือว่าท่านเป็นพระยๅเจ้า เข ก, ก็พาคนแก่ยุดเกือบเจ็ดสิบแล้วก็คนพิการขากระเพกเนี่ยขามาก็มีรถมาส่งรถสิบล้อนะฮะตรงข้ามกับรถเก๋งนับร้อยอนับหลายสิบนะที่มามาถวายจังหันให้กับหลวงพ่อหลวงตาท่านนี้พอถวายจังหันเสร็จได้เวลาพระฉันทุกคนก็แยกย้ายกลับ ญาติยโยมคนที่ว่านเนี่ยนะคนแก่อายุเจ็ดสิบคนขาพิ ก, การเดินกระเพกกระเพกจากวัดไปถนนใหญ่ห่างประมาณสามกิโลแดด ก, ก็ร้อนมีรถหลายสิบคันแล่นผ่านไม่มีคันไหนที่มีน้ำใจให้คนพิ ก, การหรือคนแก่เนี่ยขึ้นรถเลยทำทาบุญชอบทำบุญแต่ไรน้ำใจ นะพอคิดถึงแต่ตัวเองฮรับทไงถึงจะไปสวรรค์ทํำยังไงถึงจะร่ารวยถูกหวยทําไงถึงจะปฏิบัติทําไงหรือแม้กระทั่งทำไมถึงจะนิพพานนะแต่ว่าลืมลืมคนธรรมดาที่เป็นเพื่อนมนุษย์นะที่เขาเป็นเป็นเพื่อนร่วมทุกข์กับเรานะแล้วเราลืมนะครับว่าการปฏิบัติตน การปฏิบัติตนหรือการรักษาตนกับการรักษาผื่นเป็นเรื่องเดียวกันพระตเจ้าเคยตรัสไว้นะฮะว่ารักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้ื่นรักษาผื่นก็เท่ากับรักษาตนรักษาตนยังไงรักษาตนด้วยการเจริญสติปัฏฐานนะรักษาผื่นด้วยความอดทนด้วยความมีเมตตากรุณาไม่เบียดเบียนนะแล้วพระองค์ตรัสต่อไปว่า เจริญสติป well. like ัฏฐานเพื่อเพื่อร right? ักษาตนก็เท่ากับรักษาผู้อื่นเจริญสติปัฏฐานเพื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนมันไม่ได้แยกกันเลยนะรักษาตนกับรักษาผู้อื่นเจริญสติเพื่อรักษาตนเท่ากับรักษาผู้อื่นอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วเพราะถ้าเรามีสติใช่ฮะเราก็ไม่ไปเบียดเบียนใครนะแล้วเราก็อาจจะมีน้ำใจกับผู้อื่น แต่ว่าเจริญสติเพื่อรักษาผู้อื่นก็เท่ากับรักษาตนด้วยเจริญสติเพื่อรักษาผู้อื่นยังไงก็คือว่าเราช่วยใครเนี่ยเราไม่ได้ช่วยเพราะเราอยากดังอยากเด่นเราไม่เราไม่ได้หวังอะไรจากใครนะเราให้เงินเข้าไปแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมีมาจะจะมานึกถึงบุญคุณของเราให้ก็ให้เลยถวายให้พระแล้วก็ถวายไปเลยนะไม่มีของชั้อีกแล้วหรือให้ใครก็ตามก็ให้ไปเลย บางทีเราเราเราช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยเราช่วยแล้วเนี่ยเราถ้าเราไม่ดูกายดูใจนะไม่รู้กายรู้ใจนะโดยเฉพาะเรื่องใจเนี่ยถ้าเราไม่มีสตริรู้ใจเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเลยว่าบางทีเราเราอยากให้คนหนึ่งเขาเขายอมรับเขาเห็นความดีของเราหีือที่ตามาได้ยินบ่อยมากคนพูดว่าทําไมฉันทําดีแล้วไม่ได้ดีทําไมฉันทําดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของฉัน มีคนจะบ่นเยอะนะทำไมฉันนำความดีแล้วไม่มีใครเห็นความดีของฉันพเพราะรู้รูว่าเราเราทำดีเนี่ยเราก็อยากจะให้คนอื่นเขายอมรับความดีของเราด้วยเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำความดีโดยที่เราไม่สนใจเลยว่าใครเขาจะเห็นความดีของเราหรือเปล่าเราเรามีสติเห็นไหมฮะเห็นใจที่มันอยากจะให้คนชมอยากจะให้คนยกย่องไหมเวลาเราช่วยเหลือผู้อื่นเวลาเราทอดกระถินทอดประปาเนี่ย หยอดแต่แบงค์พันแบงค์ห้าร้อยเนี่ยหยอดช้านะให้คนเห็นเห็นแต่เวลาหยอดเหรียญสิบนี่รีบใส่เข้าไปเลยนะหรือเปล่าเวลาถวายของให้พระเนี่ยถวายวัดทำไมต้องมีชื่อติดอยู่ที่แก้วบ้างจานบ้างช้อนบ้างชามบ้างนะซุ้มประตูบ้าง อยาให้คนอื่นเขารู้ว่าเราบริจาคใช่หรือเปล่าเราลองดูใจของเราเนี่ยอันนี้คือใจที่ยังมีเยอะใหญ่มันยังมันยังมีอัตราตัวตนที่พองโตอยู่หรือว่าพร้อมจะประกาศตนให้คนได้รู้ว่าฉันทำดีหรือที่อยากกนันคือว่าอยากจะรวยอยากจะ ถูกหวยอยากจะอะมั่งมีนะนแต่เราเชื่อว่าถ้าเราถ้าเรามามองตนเนี่ยนะมีสติเห็นใจเห็นกิเลสเห็นตัวมานะเนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าโอ้ตัวตนนี่มันอัตตานี่มันกําลังเบ่งบานกําลังกําลังจะอาละวาดนะมันกำลังจะจะเรียกร้องนะเราเห็นเท่านั้นแหละฮะมันผูกเลยนะฮะ ถ้าเราเห็นนี่มันถูกเลยนะแต่ถ้าไม่เห็นนะมันก็จะพองโตแล้วมันก็จะผลักดันผลับเคลื่อนให้เราทําในสิ่งที่ไม่น่ารักมีคนหนึงเขเปรียบเทียบไว้ดีนะเด็กที่มันเด็กที่ชอบลากกระป๋องกระป๋องนมเนี่ยในซอยอะ่ะนะสำหรับเด็กเวลาลากกระป๋องนมในซอยเนี่ยเด็กทั้งประเทศเพราะมากเลยแต่ผู้ใหญ่คนแถวนี่บอกมันเสียงมันลาคาญ อัตตาที่มันเป็นอย่างนี้นะฮะเวลามันอัตตาเนี่ยเวลามันมันดึงมันลากกระป๋องเนี่ยมันนึกว่าเพราะนะคือเวลามันอยากจะอวดเนี่ยว่าเอ้ยอวดว่านี่กูนะนี่กูนะนี่คือตัวมันนะนี่กูนะเนี่ยนะแต่ชอบคนภายนอกนี่มันลำคาญเหลือเกินแต่ชอบคนเจ้าตัวเนี่ยมันรู้สึกเป็นเป็นการกระทําที่มีความสุขมากเลยนะที่เท่มากเลย ถ้าไม่รู้ตัวนะก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะถ้าไม่รู้ฐานอัตราเนี่ยไม่รู้ทันมารนะก็จะเป็นอย่างนี้คือมีอาการมันก็เด็กที่ลากกระป๋องคนในซอยก็บ่นลำคาญแต่เจ้าตัวนึกว่าเพราะนะเวลาเราเราชอบคุยชอบเบ่งนะเราคิดว่าคุณเ่งเขาปลื้มกับเราแต่ที่จริงไมนะ่หรือแม้กระทั่งเวลาเราคุยเรื่องความดีของเราว่าฉันทําความดีของฉันทำํทำความดีอย่างนี้ฉันไปเพราะฉันไปว่าฉันไปปฏิบัติธรรม แล้รสรับอัตตาเองตัวเวลาเราพูดนะั้นแต่คนที่อยู่รอบข้างนี้เขาเขาจะรู้สึกเป็นทุกข์นะฮะที่มันต้องมองนังสร้างฟังเรานี่เพราะลืมตัวนะฮลืมตัวมันก็เลยมีตนไงฮะแล้วก็ยึดตนเข้าไปใหญ่แต่ถ้าเรานึกถึงคนอื่นมากขึ้นในตัวตนก็จะเบาจะบางลงไปนะเราต้ามาคิดว่าใช้เวลาพอสมควรแล้วะก็คงขอยุติแต่เพียงเท่านี้ ท่านเตรียมตัวกับพระตัตนาใจพร้อมกันอีกครั้งนะครับอะระหังสัมมาสมัมพุทโตทัททวะโทฏังภัคทวะตงนาทิวะติมิตวะ So bad. Yeah.